ความรู้สึกทั้งหลายนล้วมีคนดันทำมาจาระนะคุณคนดันที่ปกติสวัสดิการทั้งหลายมาประชุมกันอยู่ทุกระยะในปัจจุันนี้มีรัการเพิ่มอี่คือคุณเจ้าประัเพิ่มโดยทางญาติทุกทุกคนใด้ซื้ที่ดินข้างๆวัดสร้างเพิ่มเติมเนื้อที่ทางวัดท้งกระพงศอีกประมาณไร่ว่า แต่ถ้าว่าดินที่ว่างในทางข้างวัดจะนีมากถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายพยายามซื้อเชิ่ เ, เตยใในส่วนนี้ให้มากเพื่อจะปลูกต้นไม้เติมป่าไม้ก็จะดีมากก็ยังเดีืออยู่บ้างฉะนั้นต่อไปนี้จะพยายามซีส่วนนั้วใครมีศรัทธาต่อรวมกันซื้อติดต่อวัดเราเพื่อจะปลูกต้นไม้ให้เตี้ย เ, เย็นต่อไป วันนี้เป็นวันธรรมชาตะอบรมซึ่พุทตวิญญาณสังไรทุกข์เหยียดมาฉะนั้นขอจงสั้งใจฟังในเวราที่เราจะต้องฟังให้สำเร็จประโยชน์ในการฟังของเราการฟังมีประโยชน์มากซึ่งประโยชน์ในการฟังนั้นนั้นมีประโยชน์หน้ที่สุด เพราะการฟังควรจะให้รู้จักเมื่อรู้จักแล้วพอจะปฏิบัตใิในถูกส่สองเมื่อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วก็จะมีควา ม, มเย็นเป็นสุขถึงความสมบดังนั้นพระพุทธองค์ท่านจนึงตรัสว่าผู้ฟังโดยดีย่อมเกิดปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นนี้ยากมนุษย์ที่จะทําปัญญาให้เกิดยาก ต่ว่าปัญญาสามง่ายที่สุดโดยมากคนเรามีปัญยามากกัคือปัญญาสามปัญญาที่ดีนั้นน้อยปัญญาสามมีมันมากเพราะว่าปกติจิตของมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ประกอบด้วยที่ดีอยู่แล้วเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมามันก็เกิดปัญญาปัญญาสาม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 การทำมาหากินบุคคลที่จะขยันหมั่นเทียนเท่านั้นจะประกอบคนสุขจะประกอบได้ผลที่ดีเพราะคนปฏิบัติเม่อคนขยันมันเทียนในทางที่ถูกต้องอื่นนอกนั้นคนไม่เข้าใจไม่ ป, ปฏิบัติหรือ ป, ปฏิบัติไม่ถูกเป็นปตน้นคนนั้นก็ไม่ได้ผลตามส่วนที่ดี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 คือความที่ถูกต้องทั้งหมดนั่นเนี่ยคือหัวใจพุทธศาสนาการประพฤตปฏิบัติมาจะเป็นธรมณะจะเป็นญาติโยมในบ้านก็ ต, ตามมันก่อยู่ในรักณะอันเดียวกันอะไรที่ถูกต้องนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดมนุษย์เราทันทีเกิดขึ้นมาก็พยายามหาสิ่งที่มันถูกต้อง อผลที่มันเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละคือเป็นผลอันสะอาดอืออ่าเป็นผลที่สุก ข, ขาวสะอาดสงบระงับคือสิ่งที่ถูกต้องเราจะมาสังเกตเห็นตัวอย่างว่าเมื่ อ, อไรเราทําอะไรขึ้นมาหรคิดอะไรขึ้นมานะถ้ามันถูกต้องแล้วมันจะสบายด้วยสุดทำ ก่อนจะทาก็สบายกำลังทำอยู่ก็สบายทาเสร็จแล้วก็สบายเพราะมันที่ถูกต้องการงานอันใดที่มนุษย์เราทั้งหลายทำแล้วภายหลังเดือดร้อนสงสัยกรรมนั้นไม่ดีกรรมนั้นไม่ถูกต้องกรรมใดที่มนุษย์ทั้งหลายทำไปแล้วด้วยกายจะดีด้วยวาจาจะดีด้วยใจจะดี เมื่อทำไปแล้วภายหลังตรวจสูบผลการงานที่เราทำนั้นจ ะ, ะมีความสบายมีความสมุกไม่เถื่อน้อนพระพุทธเจ้าสัสส่งสอนว่าทำนั้นอยู่แล้วอันนี้เราจะสังเกตในจิตใจของเราทางนั้นนี่ฉะนั้นประพุทธเจ้าจึงจะตรวจ ด, ดูตัวของเรา เพราะความเช็ดจริงทั้งหลายนั้นไม่นจะอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่จิตใจของเจ้าของผี่รู้เรื่องทั้งหลาย ท, ทุกคนนั้นพระพุทธเจ้าให้สนใจให้สนใจตามดูเรื่องของเจ้าของทั้งแต่ตัดได้ว่าทิศจุดทั้งหลา ย, ยทิกจุดทั้งหลายผู้ใดตามดูจิตของตนผู้นั้นจะโต้จะห่ว ง, งของมาันดาังนี้เป็นต้น เรียกว่าตามรู้จิตของเจ้าของนั้นตามร่าจิตของเจ้าของนั้นตามดูจิตของเจ้าของนั้นจะรู้จักความค er uh, ิดเพร่งของจิตเจ้าของจิตที่ประกอบประเดวอาคะจิตที่ประกอบประเดโะจิตที่ประกอบประเลยโมหานั้นมันมีขีดเดือทช่างหลายแสงอยู่ที่จิตเมื่อเราตามดูจิตของเจ้าของจะเห็นความเศร้าหมองเห็นความขัดข้เห็นจิตของเจ้าของ ถ้าพวกเราตามองจิตของเจ้าของจะรู้จักความผิดความผูกความดีความชั่วโดยจิตโดยความสังวรด้วยความระมัดระวังอยู่ที่จิตของเจ้าของเมื่อเห็นจิตของเจ้าของเมื่อเห็นอะไรอยู่ในจิตของเจ้าของแล้วจะเป็นราคะหรือโทสะหรือโมหะและ้วเรพยายามเลือกแรืวพยาพยามสอนแล้วพยายามละทิ้งทั้งหลายเรนนั่นออกจากจิตของเรา ข้อหลักของพุทธศาสนาต้องจัดเลยว่าสัพพะปัจจักะตะระนังอุปราชูปะสัมปะทาสจิตะปริโยชาปนังการในแต่ละผิ่ใดทางกายทางวาจาทางใจของเรานั้นแหละเป็นหัวใจพุทธศาสนาเอตังพุทธศาสนาอันนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายอุปราชูกะสัมปะทา เมื่อหากว่าเราตวรวจดูจิตใจของเราแล้วเราได้เลือกเส้นสิ่งที่เศร้าหมองไม่ส่องใสออกจากใจิตใจของเราแล้วใจิตใจของเราก็จะส่องยอืมเป็นบุญหรืก็เป็นกุศลเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่นิ่งเป็นกุศลสูตประจันปัฏาจิตเป็นกุศลอยู่ในใจิตของเจ้าของนั้นชาจิตตะปรโยธาะันัง ใจิตใจของเราพ้นจากความขิดแล้วใจิตใจของเราก็สงบแล้วใจิตใจของเราก็เริ่มแสงสว่างเกิดปัญญาความรอบรู้สิ่งทัางๆในรอบจิตต่างๆในหน้าที่การงานงอของเจ้าของแม้ตรลอดถึงดูภายในถึงการภาวนาเรี่ยวกับกรรมฐานขึ้นประพฤติพระองค์สันติจัดในว่ากรรมฐานทั้งห้าเจสามะนาคาธันตาตะโจอันนี้ เป็นกรรมฐานเป็นหน้าที่ทํางานของมนุษย์ทุกๆคนจะได้ชี่นี้พิจา ร, ราจะเห็นความแจ่มแจ้งในที่นี้เองเช่นความเกิดแต่พิจารณาความเกิดหรือความแก่หรือความเจ็บหรือความตายเช่นนี้เป็นต้นโดยธรรมดาสิเรียมนุษย์ดทั้งหลายนั้นเขาจะพินารณาความเปิดได้แต่ความแก่ได้วความเจ็บความตามย อันนี้เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มืดบอดปกปิดของที่ฝังอยู่ไม่สว่างคือความจริงมีอยู่ในตัวขดาวนี้เรา ไ, ไม่ยกฐานะที่จะนาเช่นความเกิดนี้ความแก่นี้ความเจ็บนี้ความตายนี้มีอยู่ในใจในกายของเราแล้วแต่เราก็ยังไม่เห็นแต่เราก็ยังไม่รู้พระพุทธองค์ตรัสเหมือนปลายอยู่ในน้ําไม่เห็นน้ํา เัมือนในดินมันอยู่ในดินมันก็ไม่เห็นดินเป็นต้น ม, มนุษย์ทั้งหลายที่หมกนุ่งอยู่ในคนวามเศร้าหมองบาปปาประจําต่างๆก็ไม่เห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นบาปไม่เห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นกรรมเป็นต้นเพราะมันได้ยกขึ้นมาตามที่จริงเชนความเกิดตวามแก่และความเจ็บความตายของเราทั้งหลายเหล่านี้แหละ มันเป็นเรื่องของธรรมดาเหลือเกินใครๆก็ผ่านใครๆก็พบแต่ไม่เห็นแต่ไม่รู้แต่รู้ก็ไม่ถึงอืมเป็นต้นฉะนั้นเห็นโคมแฉหรือคนเจ็บคนตายใจของมนุษย์ช่างหลายก็มีความโศกเศร้าปริเภนาดำทันเป็นต้นเป็นทุกข์เป็นยากเป็นลาบากอันนี้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่เห็นความเป็นจริง ความเป็นจริงอันนี้มันเป็นจริงมาแล้วเป็นสัจจะธรรมจิตเราไม่มองเห็นอันนี้ไม่เห็นสัจจะธรรมในตัวของเราถ้าเียดมาแล้วแต่คิดไปยังถ้าตายแล้วแต่คิดไปยังนี่ก่อนในคิดแะริงทางไหนวนันนี้จะตามมาถึงเราเมื่อไรไม่คิดเห็นเพราะว่ามันเมาเมาอยู่ในรูปเมาอยู่ในเสียงเมาอยู่ในปินเมาอยู่ในรถ เมาจึงไม่อดภาชนะมารุนไอ้ความเมานั่นและเดียวมันตาหมึดเมื่อมูดมันก็ไม่สาว่างเมื่อไม่สาว่างก็ไม่มองเห็นทางที่ถูกหรืผิดเช่นนั้นอันนี้เดียวคนเมาพนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเช่นเนี่ยอย่าให้เมาอย่าให้เมาถ้ามีวัดอย่าให้เมายศถ้ามีราบก็อย่าให้เมาลาบ มีชีวิตก็อย่าเมาชีวิตของเจ้าของมีอะไรทุกอย่างอยาให้เมาอยาให้มันมึนเมามีความดีก็อยาให้เมาดีมีความชั่วก็อยาให้มันเมาชั่วเสียไปก็อยาให้มันเมาได้มาก็อยาให้มันเมามัอนเหมือนพามันเมามันมืดมันหวอดมันหองอืมนีเท่านั้นประพจนเจ้าให้เราพิจารณาตันความมืดบอดในจิตของเจ้าของนี้เอง ถ้าเราเห็นสิ่งทั้งหลายเรานี้ตามเป็นจริงแล้วเราก็เห็นสัจธรรมสัจธรรมคืออะไรสัจธรรมคือเรื่องที่มันที่ถูกต้องเรื่องมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีใครจะไปแก้ไขมันได้มันเป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้นเราจะร้องไห้มันก็เป็นมันอยู่อย่างนั้นนะเราจะหัวเราะมันก็อยู่อย่างนั้น เราจะคิดอะไรอย่างไรก็ตามหรืสภาว่าอันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกันสภาอาทิตย์อมันจะขึ้นมามนุษย์ทั้งหไนไม่พอใจหรอกจังวันนี้มันสายเร็วนะักก็ตามใจธาตอาทิตย์ก็เดินไปตามเวียนของธาตุอาทิตย์ถ้าอาทิตย์นีาา่มันสายนะักก็ตามใจ พระอาทิตย์จะไม่ฟังเสียงของใครพอไปตามเรื่องอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะให้โทษทใครไม่ถูกพระอาทิตย์มาถูกเจ้าของจะให้คนกักใคร่ก็ไม่ถูกพระอาทิตย์มาถูกเจ้าของเพราะเรื่องพระอาทิตย์นั่นเป็นเรื่องสัจธรรมเขาจะเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอันนี้ให้มนุษย์พุทธบริษัทเราทั้งหลายเห็นการเป็นจริง เมื่อเห็นตามจริงแล้วจกเป็นมนุษย์ทุทิบริษัทโดยสมบูรณ์จะไม่เครือบแคลงสงสัยในอารมณ์ทางหลายสิ่งที่มาเกิดขึ้นมาแล้วหลับไปอืต้นต้นหรือทุกข์ตอสุขขึ้นมาก็ไม่ยึดมั่นในความสุกขด้วย ค, ความดีใจก็ไม่ยึดมั่นในความดีใจอืมเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่ยมาในความทุกข์ เมื่อทุกเสียไปเป็นต้นป้าไม่เมาในการเสียไปของทุกนี่เรียกว่ากูเห็นธรรมะเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้พระบรมศาสต ร, ราของเราท่านเห็นสภาวะธรรมนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดับไปแล้วจะเกิดขึ้นใหม่เป็นอยู่อย่างนี้ตล อ, อดกาลตลอดเวลาถ้าเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ดีใจและไม่เสียใจจิตใจของเราทั้งหลายก็สูงเหนืออารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้อืมอ่าเหนืออารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเป็นไปตามสภาวะอันนี้ฉะนั้นพ ร, ระโพธิสัาว์ดาของเราจึงได้ทีเทราเห็นสังขานให้รู้ตามความเป็นจริงของสังขานจังขานมันเป็นจริงอย่างไรก็ให้รู้ตามจิตจริงของมันอย่างนั้นยกตัวอย่างเส่นลูก เราทุกๆคนนี่นั่งอยู่เนี่ยจะเรียกว่านายกอนายขอนายคอนายงอจะเรียกว่ามันฉุกหรือมันทุบมันได้มันเสียมันร้อนมันเย็นอะไรก็ช่างมันเถอะก็เห็นว่าอันนี้เราอันนี้ของเราก็เห็นเป็นเจตียงว่าส ม, มุิสมมุิเมื่อรู้จักสมมุิแล้วก็เรียกว่าอันนี้ของเราก็าไม่เสียหายอันนั้นของเขาก็ไม่เสียหาย อืมเป็นต้นอือันนี้มันดีก็ไม่เสียหายอันนี้มันชั่วก็ไม่เสียหายอันนี้มันคงทนอันนี้ไม่คงทนก็ไม่เสียหายอะไรเพราพ่อเรารู้สมมุติมันแล้วอืเช่นในร่างกายนี้เกิดมาการต่อสู้เมื่อยังมีชีวิตอยู่่ะคนที่สุดเป็นต้นมันก็ตายอย่างนี้ถ้าเห็นว่ามันตายอย่างนี้เราจะทํายังไง เราจะเห็นธรรมะโดยวิธีอย่างไรเราจะเชื่อเถ้าอย่าทำอะไรมันเถอดี๋ยวมันจะตายอ่ะเข้ากปอย่าไปกินมันเลยมันเป็นโบกคนไข้เถอะอย่ารักษามันเลยมันจะตายอยู่แล้วอย่างนี้มันก็เป็นตัวง่ไปอืมเช่นแผลช่วงใบนี้มันเป็นของแตกอะเป็นของแตกตามธรรมดาเราจะบอกคนไม่ได้ว่ามันไม่ได้เหมือนกันมันจะต้องเป็นของแตกเมื่อมันเป็นทงแตกทีนี้เราจะเอายังไงดีนะ เก็บไปบ้านในทังในดี้เราจะต้องล้างให้มันสะอาดเราต้องเก็บในที่ดีๆถึงไงลูกหลานของเราจะใช้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราต้องัำชัดว่า ล, ลูกจานนี้ล้างให้สะอาดนะชั่วยันี้ล้างให้สะอาดนะล้างให้เก็บมาให้ดีอย่าให้แตกให้แตกแม้แต่ถูกไม่เลียวนะั้นต้องปูมันไว้ทั้งๆ ท, ที่เราเห็นว่าชั่วยนี้เอาไว้ที่ไหนมันก็ต้องแตก อย่างนี้อะไรที่ไหนคือต้แต ก, กเรื่องหน้ามันต้องแต ก, กเราต้องเอามาพูดอย่างนี้สอนเด็ออดอย่างนี้ตามสมมุดอย่างนี้เพื่อเราจะใช้ถ่วยนี้นานๆจะเป็นระเดียบเรียบร้อเรา ม, มีชีวิตอยู่อันนี้เรารูจักธรรมะเอาธรรมะมาปฏิบัติถ้าเห็นมาอันนี้มันจะแต ก, กอยู่แล้วราบอกช่งมันจะรุกยินมแล้ว็ไม่ตองล้างมันจะตกไปช่างมันจะไม่เกี่ยวกของเราแล้วอืม เอาทิ้งไหมทีนก็ได้มันจะแตกอยู่แล้วมันจะแตกแแต ก, แก็ได้ก็ะชั่งมันเธอะต่อยมันนะอย่างนี้ก็เป็นคนโง่กวตรงจนไปอย่างนั้นไม่วาดไม่ไหวนะของที่จะใช้เมื่อเรามีชีวิตยอยู่มันก็ลำบากยากแต่นั้นอันนี้คือเราเห็นตอน้องจิงนีตยก็มาใช้สมมติอันนี้ถ้วยอันนี้จานอันนี้ล้างแล้วทำแล้วให้สะอาดอยู่เสมอ เกลียตตัวเองว่าเราเห็นอนนีจังของไม่เที่ยงทุกขังความเทุกอนตาความไม่ใฉ่ตัวตนในสตุลตายของเราตอนนี้ตอนดินตอนน้ำํำตอนไฟ้อนลงที่มันรวมรวมกันอยู่นี้เรียกมนุษย์ก็ไม่ใช่เกลียดบุคคนก็ไม่ใช่เกียดตัวตนก็ไม่ใช่อะไรทั้งหลายเหล่านี้นะี่ยมันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอย่างนี้ถ้าเรา เป็นผู้รู้สมมุดอันนี้ก็เห็นว่าเมื่อมันเจ็บไข้ก็หาหยุดยาให้มันกินเมื่อมันร้อนก็อาบน้ำให้มันเมื่อมันเยนเย็นก็หาความบุ่นให้มันเมื่อมันหิวก็หาข้าวให้มันกินอะไรทั้งหลายลบนี้แต่เราให้รู้ว่าให้ข้าวมันกินมันก็จะตายอยู่แต่ในเวลานี้ยังไม่ทขาวจะตายเราจะต้องรักษามันอยู่เหมือนถ่วยแบบนี้ยังไม่แตก ก็รักษาช่วยใบนี้ให้มันเกิดประโยชน์จะกอดก็พุทธเจ้าผนในธรรมะอันนี้ท่านจึงรักษารักษาตายนี้ให้ดูอยากให้มันมีโรคด้วยให้โรคมีมันน้อยให้มันมีความสบายชจวยจเดินเมตตาภาว น, นาต่อไปอย่าเดียดเยียดยตัวของตัวเลย เ, เช่นต้นขึ้นมาราป่วยก็เข้าไปโรงพยาบาลแต่เราให้เราเข้าใจว่าโรงพยาบาลท่านจะช่วยตายว่ามีไรนี่การ นแต่หมอพยายช่วยจะถอนไม่ได้ทําไมถ้าความเป็จริงก็จะเป็นอย่างนั้นก็ช่วยได้ครึ่ตงตังเมื่อเวลายังไม่มียังมีชีวิตอยู่แต่ว่ายังไม่ตายนี้ฉันนั่นเหมือนกันผู้ประพัติธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะก็ต้องเห็นอย่างนั้นเห็นกายนี้ <c oughs> เห็นใจนี้ <c oughs> เป็นเรื่องอนิจจัง <c oughs> เป็นเรื่องทุกขงัง <c oughs> เป็นเรื่องอนัตตารักษามันไป เมื่อขึ้นขาวที่มันเกิดไปแล้ ว, วก็เห็นว่าเอาเราก็ยอมให้มันไปเมื่อถึงสุดสุดแรกใจต้องสบายถ้าเราเห็นธรรมะอย่างจริงจังอย่าชนี้นะเราก็ไม่เกิดความยึดมัน่นดีไม่เกิดความถือมัน่นในสิ่งทางในเรานี้ตามเป็นจริงเพราะว่าความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้ผรู้ธรรมะผู้เห็นธรรมะศึกษาธรรมะเรีกปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะว่ามันเป็นอย่างนี้ เมื่อเห็นธรรมะว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ให้เป็นธรรมะนะเมื่อให้เป็นธรรมะเลอวางใหเราวางชือให้เราปล่อยคือใหเราวางการปล่ <c oughs> อ, อยวางอันนี้คือความรู้ตามเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใหมันกระทบกระเทือนอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นต้นของมรรคต้นของมรรคคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ เมื่อก็อเห็นมันชอบอย่างเดียวทุกอย่างมันก็ชอบไปด้วยกันทั้งนั้นเอนฉะนั้นธรรมะนี้ไม่ใช่อื่นไกลธรรมะอยู่ที่ตัวของเจ้าของอยู่ที่ใจของเจ้า ข, ของนี่เองเราจะไปมองดูที่หรื อ, อนั่นมาเห็นธรรมะเช่นว่าเรามีความสุขเป็นต้นมันเนกิดจากอะไรมันสุขมันทุกมันเกิดที่ไหนไม่ใช่ว่ามันจะเจกิดยู่ต้นไม้มันจะเกิดจากแผ่นดิน มันเกิดอยู่อาร์มันจะมีความสุขเกิดขึ้นมาต่อพ่อเราไปพบสิ่งที่ชอบใจเราในใจของเรามันจะพุ่งแจงขึ้นมีความสุขขึ้นเท่านั้นเนี่ยคือความสุขมันยกิดที่นี่ถาเรามีความทุกข์ขึ้นเกิดขึ้นมาไม่แช่มันเกิดจุอสกาส์เกิดจ่แผ่นดินเกิดจุต้นไม้เกิดจ่ภูเขามันเกิดที่จิตใจของเรานีใอรู้เราจะพบสิ่งที่ชอบใจความสุขเกิดขึ้นมา เราไปประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบจใจทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเมาื่อรวมสิ่งทั้งสองอย่างสุกทุกข์ทั้งหลายเป็นต้นเกิดขึ้นมาจากจิตของเรามีความเห็นชอบและมีความเห็นผิดชนิดมีมีสองแนวช น, นีดมิจฉาทิฏฐิกับมมาทิฏฐิเท่านี้ตามกันไปอยู่อย่างนั้นจากนั้นเมื่อรวมยอดแล้วดนในโลกสภาวะในโลกทุกส่วนไม่มีอะไรจะเดียดเรียนมนุษย์ไม่มีอะไรจะทําให้มนุษย์เป็นทุกข์ ไม่มีอนอกจากจิตมนุษย์ให้มนุษย์เป็นทุกข์แล้วไม่มีจริงจ่งเย็นเจริญเวลาเป็นทุกข์ไอ้ความร้อนมันก็เป็นธรรมดาของมันไอ้ความเย็นมันก็เป็นธรรมดาของมันแอ้ความปกตินั้นจะเื่าความรู้เท่าความร้อนและความเย็นอันนี้มันอยู่ในโลกเมื่อเราเห็นการเปจริงเช่นนี้ความปกติของจิตก็เกิดขึ้นมาซึ่งแม้มันจะร้อนอยู่มันก็ปกติมันจะเย็นอยู่มันก็ปกติ มันจะทุกอยู่โดยอาการหรือทุกอยู่โดยอาการมันก็ยังเป็นปกติเพราะว่าเห็นว่าทุกมันเป็นอย่างนั้นเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดไปอยู่อย่างนี้ถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วก็สบายเรามีความเห็นผิดซ่องมีโยมคนหนึ่งอยู่ที่วัดที่มาวัดอยู่วัดินี่อาจจะมาจำไม่ได้อาจจะมาตัวเทศใ น, น, นทังกีหนึ่งใช่ไหมโยม ฟังทำน่ะไม่ต้องยึดอะไรมันมากมายหรอกให้ยอมทาใจให้มันพอดีเนียพอดีอย่างไงพอดีทุกอย่างนะเนี่ยมันจะโชคกับพอดีมันจะสุขกับพอดีมันจะชอบใจกับพอดีมันจะไม่ชอบใจกับใหมันพอดีมันเลยพอดีอยู่อย่างนั้นแกจะมานั่งฟังอยู่สั่งๆเแกไปจาับมันพอดีอย่มันดีที่สุ ให้มันพอดีทัเงนั้นแยกระจับแต่นี้นัน่นนะหลายเดือนมาวัดยอมไม่เห็นมาวัดนานแล้วเป็นยังไงผมฟังคำของน้องพ่อผมพอใจแล้วผมนานๆนาที่นี่มาฟินฟังคำพอใจอยังไงน้องพ่อบอกผมมาให้ทําความพอดีทีนี้ผมก็ยึดหลักอ่านี้ว่ามันพอดีไอ้ลูปนมียมันจะว่าให้ผมว่าพอดี มันจะมีสุขเกิดขึ้นมาผมว่าว่าจิตสอนเนี่มันพอดีมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาผมว่างันพอดีมันจะร้อนผงก็บอกว่ามันพอดีมันจะเย็นแต่ผมว่าเห็นไหวมันพอดีได้สบายดีผมเลยเป็นคนพอดีอยู่ตลอดทุกวันนี้ฉะนั้นผมจริงนานๆยินดีเข้ามาฟังธรรมเพราะผมได้รักษาอย่างนี้ไปปฏิบัติแล้วสบายาอะไรก็ช่างมันเถอะ นี่มันจะมีความกระทกกระชังหรือมีความสงบยังไงสมราไหนมันพอดีทั้งนั้นเนี่ยนี่คือคนที่ฟังทํามง่ายๆพอดีอร่อยก็ไม่พอดีอร่อยก็พอดีไม่อร่อยก็พอดีร้อนมันก็พอดีเย็นก็พอดีเออน่คิดผิดมัก็พอดีคิดถูกก็พอดีมันพอดีทั้งนั้นนี่ด้วยกับสภาวัดธรรมเห็นความพอดีนั่งอยู่ก็พอดีเดินไปก็พอดี ความคิดแค่นี้เลยวไอความคิดพอดีมันสมพุ่น์มันไม่มีทางสาแล้วมันคิดพอดีคิดพอดีคือรวมเป็นอันหนึ่งว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้แกก็ยึดหลักอันนี้ว่าโดยผมนียเป็นคนสบายคนที่วารินเ น, นี่ยในเมืองอุบลนี่จำชื่อเขาไม่นานแลแ้วตอนนีเด็กคนหนึ่งวันฟังอยู่ข้างๆแกบอกว่าวัน น, นั้นเหรอสองพ่ อ, ย อ, อโยงแจ๋เขาแน่นวันเราอยู่ที่ไหนชื่อเขาอยู่ชื่อเขาวายยังไง น้องพ่อไม่รู้จักจำไม่ได้ทาไมล่ะผมชอบใจธรรมะของของแก้วยตืนผมนั่งฟังอยู่ท้องก็พอดีใจด้วยแต่ทบไปลองๆคํารดูเพราะว่าอะไรอะไรในบ้านมันยุ่งผมก็ให้มันดีให้มันพอดีอะไรก็มันพอดีหรือเปิดคาพอดีวันนี้ผมยึงอยากจะชื่อบ้านของเจ้าแกคนนั้นหน่อยจุดที่ไหนชื่ออะไรอย่างนี้ไม่เห็นนี่อันนี้ประสุดกัน ง, ง, ง่ายง่ายฉะนั้นนี่ไงการกรทําดีกระทาชัว่วเราทําำคนเองเรา เราทําชั่วเั็นเองเราเราทําดีขึ้นเองเราเรากลัวเองนึกขึ้นมาแต่กัวกลัวกลัวกลัวจนแด็กไปิ่งมีแต่นึกกลัวเองนึกเองกลัวแล้วก็วิ่งไปที่นี่ถ้าเราไม่กลัวจะนึกมีใจเช่นแขนกินไม่กลัวแล้วก็ไม่วิ่งเนี่ยมันเจอที่นี่มันก็หลับลงที่นี่มันทุกข์ที่นี่มันก็ทุกข์อยู่ที่นี่มันผิดอยู่ที่นี่มันก็ถูกอยู่ที่นี่ นี่คือมีปัญหาอื่นไม่มีนอกตัวเราไปแล้วมีปัญหาอยู่ในใจของเจ้าของเหตุนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าต้งยังไแก้แก้ตัวเรามีเองแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุแก้ที่ต้นเหตุที่ต้นตอวันนี้แหละเที่ยว่าทุขสัจนั่นทุกขสัจแก้ที่เหตุในทุกมันเกิดอันนี้เป็นสัจจะทำ เมื่อเราเห็นทุกข์เราก็เห็นอริยสัจมันเป็นทุกข์ก็สัจทุกข์นี uk, like he ka, no lie, no ่มันก็ทุกข์จริงเมื่อเราเห็นมันเป็นทุกข์เหตุเกิดขึ้นที่ทุกข์นี่เป็นต้นแล้วแก่ทุกข์มันนี้แก่ที่เหตุวันนี้แค่แก่ที่เหตุแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ยอมรับยอมรับัรงนั้นพอเรายอมรับโดยสบายนะโดยสบายมันสบายยังไงถ้าหากเราถ้าหากว่าเราปล่อยเราวางมันเนี่ยนะ มันสบายยกตัวอย่างให้ฟังง่ายไม่ตัองยากอ่าเคยมีนายคนนายพันอืมที่เขามาในวัดตลวง ป, ปู่หลับหลวงมู่ตลาดกลาบเนี่ยก็ทานตะไปหมูปลาบเอหาหลวงพ่อตบดีศักให้ผมมั่งเนี่ยอาจจะมือเอิบรือมือเปียกซ้ำดีศักดตบ ๆ, ๆ, ๆ, ๆนายคนก็ช่างนายพันก็จ่างไม่เป็นอะไรไม่อยากปว ด, ดเลยทําไมไม่ยอมแล้ว ยอมเรามายึดผีศีสนี้ศีสนี้มันมีอะไรมันมีพราเราเขไปยึดมันเท่านั้นเนี่ยในเวลาเทวรละเราวางกราปล่อยมันเลยหมดพิษหมดภัยในที่นั้นเนี่ยไม่มีอะไรทั้งนั้นเนยต้นของมันปลายปลายของมันต้นถ้าหากเราออกจากอสมาไปสิไอ้โยมไปพบยึดศีรษะทางนายพลนาฟันเดินอมือไปถูกศีรษะดูสิเจื้อเรื่องกันเนยทีเดียวทาไมไม่ยอมให้ฉันไม่ยอมรับฉันไม่ยอมทิ้ง เห็นไหมละเห็นยึดอยู่มันก็เลยไปคิดถึงที่นั้นเมื่อจะปล่อยก็ปล่อยตรงนั้นเมื่อจะวนวายก็วนวายตรงนั้นเมื่อมันสงบก็สงบตรงนั้นปล่อยตรงนั้นนี่เป็นโซีเยอะจริงๆเราเห็นง่ายๆเราจะเห็นได้ง่ายๆอะไรทุกอย่างที่เราเห็นมาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราใจเขาเรายอมปล่อยวางมันเนี้ยหมดคิดนี่หรือพุ่งมังนอกตึงเหมืนกัน เดินไปเนี่ยมันข้ามไปฮะจับหัวกันไปเด็กผู้หญิงจับหัวผู้ชายผู้ชายจับหัวผู้หญิงไปเรื่ยก <mas land and skin>. ็ไม <filters> ่มีอะไรนี่มันก็มีคุณค่าครับถ้าจะหัวเกลือหัวมันขนา้นี้นี่จะทุกข์อะไรจะอะไรกีฬาอย่างนั้นเนี่ยนี่เพราะว่าเราอะไรมันออกเอาความเห็นเอาถอดถอนไอ้อุปทานออกจากคิ่นั่นได้เปล่าวงั้นลูกระเบิดเขาถอดลูกสะดกออกแล้วมันไม่ระเบิด เอฉะนั้นอันนี้ตัวประกันฉะนั้นชาเราถอนทุติถอนมรณะเห็นว่าเราดีเห็นว่าเราด้วยตัวเขาเราเสมอเขาเราเดือบตัวเขาอย่างนี้เป็นโ้นอยู่ในใจคนเจ้าของเราขี้เดือดนั่นทำลายเสมอไปนี่ฉะนั้นอาตมาจินตสัว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมาทําโทษเรานอกจากเราทําโทษเราเองไม่มีอะไรนําความทุกข์มาให้เรามีไม่มีอะไรจะนําความทุกข์มาให้เรานอกจากสิ่งของเราเห็นสิ่นถูกเอง ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสังเกตว่าอัตโนะจวอยตนตังจงเชือนตนด้วยตนเองตนนี้จะเรียกตัวตนที่นั่งอยู่ที่นี่อะเรียว่างนี้เดือนตนให้เห็นตนคนเห็นตนมากเป็นตนคนนั้นยังไม่เห็นตนคนเห็นตนมานี่ใช่ตัวตนคนนั้นจริงหรือว่าคนเห็นตนคนเห็นตนมากเป็นต้นนี่กับพิรุปทานยึดมั่นถือมัน คนที่เห็นตนยจริงๆจะคือเห็นตนวันนใช่ตนนใช่ตัวนใช่เรามนใช่เขานิชัยของเรามนใช่ของเขาอย่างมี้ก็เห็นเช่นนี้เดียวถอนอัตฉรออกนี่เดียวคนเห็นตนควรเห็นตนเนี่ก็ละตนหนึ่งก็ได้ปฏิบัติตนหนึ่งก็ทุกเป็นอนัตตาเชแล้วคนเห็นตนโดยที่ว่าเป็นตนเป็นตัวนี้เพิ่มทิฏิเพิ่มมรณะเพิ่มจิติเพิ่มปัญหาเพิ่มความทุกข์ขึ้นมามากที่สุดไปทีเดียว ฉะนั้นโซนนุษย์โซนบรษัททางไหนท่านจึงให้ปล่อยหรือวางไม่ใช่ให้ปล่อยอันนี้ไม่ใช่ให้วางอันนี้ปล่อยเรื่องจิตใจบางคนหุ้นมาการปล่อยวางไม่ต้องทํางานไม่ต้องทําอะไรท่านปล่อยวางไม่ใช่อย่างนั้นการปล่อยวางทางด้านจิตใจคือไม่ยึดมั่นหรือไม่ถือมั่นให้มีความเห็นโดยถูกต้องเป็นสัญมาที่ถูกเมื่อเห็นที่ถูกต้องตามนี้แล้วก็เดีผู้เห็นทำ ผู้เห็นทำผู้เห็นจะพาว่าอันนี้ตามเป็นจริงไม่มีทางที่จะแก้ไขนี่มันจะสุข ก, ก็ถูกแล้วมันจะทุกข์ก็ถูกแล้วมันจะได้มาก็ถูกแล้วมันจะเสียไปก็ถูกแล้วมันจะไม่เจ็บไม่ไข้ก็ถูกแล้วมันจะเจ็บจะไข้ก็ถูกแล้วเลิพอดีทุกอย่างเล ย, ยเพรเรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนี้นี่จะนั้นเรืองเมื่อเราเห็นเห็นนี้แล้วก็ตัดสนต่อคือเหทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมา เมื่อทุกข์การต้นต่อทุกข์ทุกข์กกมีทางที่จะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นส่วนความสงบก็เกิดขึ้นในที่นั่นอันนี้แสดงถึงว่าสัมมาทิสุขยิ่งเรียกว่าสัมมาเมื่อมรรคสามัคคี ม, ม, มันสามัคคีรวมกันเช่นนี้แล้วยิ่เรียกทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็กระจัดกระจายไประหับสะหายไปเป็นต้นว่าไม่มีในที่นั้นไม่รู้วันไปที่ไหนถ้าใครยังความเห็นไม่เห็นสภาวะอันนี้มันก็ยังจะเกาะอยู่ที่ตรงนั้นแห่นั้น เพนั้นนี่กิเลสยึดใส่ใคร่ค่ายต่อมีตัวหรือมีตนก็มาเกิดจากความคิดของเราเรากำมังทิ้งธรรมะนั่นเรกปฏิบัตินี้ปฏิบัติตามอิทธิยาบทของเราเรายืนเดินจนปกติแต่เราเมื่อทํามันนี้อยู่เราก็รู้อยู่เราพูดนี้อยู่เราก็รู้อยู่อืม คิดของเราคิดอย่างไรเราก็รู้มันอยู่รู้แล้วก็ทิ่เจรนาเรื่องอนิจังทุขขังนาจาในอิริยาบทอันนั้นในอารมณ์นั้นให้จิดมันรู้ให้จิตมันเห็นมาเห็นไปจิตมั่นถือมั่นในอันนั้นแล้วก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆมีคำมันไปทึงข่าวกหนดแล้วก็กำหนดถึงขาวพักผ่อนแล้วก็พักผ่อืธรรมดาแล้วนั่นแหละ เราจะนั่งกบทั่งวันกะทั่งคืนอันนั้นเรามีอยู่ระเบิดอะไรั่งเราปฏิยนนั่งสมาธิเมื่อราหยุดนั่งเราจะมีกติเดินแบบนีกติทำแบบนี้รู้จักว่าวันนี้เราทาอะไรตั้งอยู่เนี่ยลราจะรู้จักของเรารู้จักความสุขชอบในเรื่องจิตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยกรรมาฐานนี่มันก็ ถ้ากรรมฐานถูกจดิตเจของมันก็สบายกรรมฐานไม่ถึงจดิตของเจของมันก็ไม่สบายมันก็เป็นอย่างนั้นแะทำไมมันจึงมีทุกข์ทำไมมันก็มียากทำไจมันเลําบากทุกข์การกระทำของเราเพราะว่าเราบวครับมันมีสมมนิถือยึดแต่อัวการใจมันก็จะสบายมมันก็ไม่สบายอยู่ คิดยก็ทาไอยางไงคิดยังไงก็พูดยงอย่างนี้นงงนนนน ม, มัสบายใจเนี่ยสบายใจมันอโทษไม่ใช่จะฟ้องทานั้นเมันจะให้ทังวนังเ ว, งวการพูดในการจะทำในการยืนการเดนินการนั่งการนอนการกการสั้รู้ตัวอยู่วนนีเราทาอะไรอยู่ัน้รายลักษณะอันใด เราอยู่ในนักนน่าของความโรภหรือความโรธหรื อ, ค ว, รอความหลงหรือเนี่ยต้องกำหนดรู้กำหนดรู้จากว่ามันเป็นสิ่นนั้นแล้วก็ทาลายมันเพี้ยทางอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจทางสุกทางทุกข์นะเราเห็นว่ามันเปยของมเที่ยงเป็นของไม่แน่นอน สุกไมันสุกไปทุกไปมันทุกไปอย่ะไปยึดนั่นถือนั่นนั่นดตามันเดวว่ามันเป็นข้อนี้อย่างนั้นแต่เราดูจักมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันุกมันก็ทนอยู่ทุกมันก็ทนอยู่ได้มันก็มีตัวหลงตัวการทากรรมฐานจะทาทาแบบนั้นแหละเราจะคิดยังไงเราจะคิดไปทำในมันรู้เร็วเห็นเร็วสงบเร็วนี่ได้เห็นงด้ ล้องส่งส่งค่อยๆทำไปอืมค่อ่ๆทำไปอย่าให้ันเร็ยอย่าใั้มันช้าอ่าให้กนกอยู่ในที่ที่รู้นั่นแหละเป็นประมาณอืมการทำเพียนี้แต่สูนใจเราเท่นั้นแะอืสูนใจเราสวนใจเราอยู่ท่เพืเ่อ น, น, นเราทุกอย่าง เพื่อการทำยุบหนอ่อฟองหนอนมั น, นก็ถูกแล้วถูแกแล้วแต่ว่าเราคนไม่ไหวการทนไม่ไหวนน ไ, ไวอ้ เ, เรื่องที่เราทอดเทาะทอดห อ, อยเยอะคือไม่รูรจักความเป็นจริงตามนั้นีเว่าการทำแบบนัน้นมันดีเกนไปแล้วพมาทาอย่างอื่นได้ทำเงินาด้บ้านะก็ติดตั กำห น, นดโดมหายใจเธอออก่อยังเร่งี้หไม่ว่ายดมันกยดเองนันแ่ว่าฟองกองเองน้แหละให้าเมกัองให้ออกมอนกยึดไม่ว่ายดหน่อองนมันกองยดเองน้นแหลงนี้กนั้นแหละไม่อยอู่ อ, อ, อย่าง้ เรื่องรู้เทวว่าในลักษณะอย่างไรเราอยู่อย่างไรคนเป็นอยู่ทุก่เป็นอย่างไรเพื่อให้เราเกิดปัญญาอื่นทำอะไรตั็เกิดปัญญามีต้องมัดกำหนดด้วยกระถางวันกรท่านคืนมีการปล่อยมีการวางมีการอนุเธตรมธรรมมีการบางครับมีสาบเดชก็มีสกุลมันเหมือนสอนเด็กน้อยเหมือนครูสอนเด็กนักเรียน มีประคุณอย่างเดียว น, นั่นกอนครูนีอำนาจนีประ เ, ด เ, รเด ว, ะเ ด, ว, ด, วดอย่างเดียวเบก็เดินไม่ถูกใจเราเหมือนกันชอบรอตามทอบใ็ไม่ได้ดูเรื่องไม่หาข่าวนันก็ม่มมดูเรื่องมันมีแต่ทบแต่วันตัางก็ครู สอนนักเรียนไม่เอื้่ะเอาแต่ตะคนอย่างเดียวเพามันขี้เกียไม่วามันมอะไรทั้งหมดัความอยทุกอย่างอาัวครูสอย่างยวนอย่างมันกลัวความผิดมันกลัวความไม่ีทางหลามันกกลัวอื มันมีกลวงกัวมันอายมันก็เกิดเป็นข้อปฏิบัติในตัวของมันนั่นเ่ยมันเป็นถิ่ในตัวของมันอย่างนั้นเราจะต้องดูจัครอจะต้องดูจันักเรียนจะดูการสอนเด็กถ้ามีประเดีอย่างเลี้ยงก็ไปไม่ไหวเด็กถิ่นถ้ามีทักษะยังเลี้ยงก็ไปไม่ได้บางครั้งเราจะใช้ประเดี๋ยวมันบางบางครั้งเราจะใช้กักุณมัน พูดตามมาสาธิตของนตงนัวเหมืนนอนกันเราการปฏิบัมันทบกเวร า, า, รรารตัวนี้และเวลาปล่อยมันเวลาเสนอเสียงผิดตัวเสนอเสียนมันเวลาให้โทษมันก็ให้โทษมันยย อ, อยาน่าให้โทษมันอย่างเดียวอย่าเสนอเสื่นมันอย่างเดียวต้องใช้การปฏิบัติอย่างนี้สฏับัติับซ้อนกนไปอยู่อย่างนี้ืานมันไม่เบื่อ ต่อเที่ยนมันขอ t มันเ i งจะเรียนเงินไว้ให้อยู่ในที่พอดีพอดีของมันที่มันเกิดจางโตเศร้าโศกการติดเตือนอะไรอย่างนี้ก็มาให้สื่อขึ้นจังโตเศร้ายิ่งมันเกิดขึ้นเราจะรู้มันริ่งมันความเพลินเพิ่มเติมก็ยิ่งเพิ่มการเรียาความสุขใจอัมันพิอยู่ีพอดีอดีของัน มีอะไรมีอณิจังของไม่เที่ยงมีทัวกลางจำเป็นทุกมีอนัตตาขพงในแกตัวเม่แกะตนอันนี้เป็นมาตรฐานเป็นหลักสีสำคัญถ้าเราเห็นด้วยอนิจักรตักลางรนัตตาแล้วก็นี่ก็ะเด็นเจของมันตรงนั้นเลยดีใจถึงจะดีใจเป็นไปถ้าดีใจเป็นไปมันจ็ดีอ ทุกใจมนเวมันท uhm, ุกเกินไปทุกเกินใจมันเกินขอบเขตมันก็ยเหมือนกันสุกทุกชอบใจไม่อบใจอารมนี้เราจะประสบ่ทุกเวลาเาจะประสบมันทุกเวลาแล้วจะเห็นมันมีทุกเวลาเเห็นมันทุกเวลาแล้วก็สังเกตงามันทุกเวลาทุกเวลาเราปฏิเ้ธมันทำไมน้ำหนก จะทำตรงนี้จะดเวิในมันมากทำในมันมากเป็นใมันมากเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของมันนีดหนึ่งไม่ต้องอยู่ไกลจะหาการเห็นความเป็นจริงนั่นแล้วแม่ลองขวดตั้งคนมาแล้วก็รู้มันบอกเอออันนี้มันขวดตรงตรงนีนะนี่ก็หายไปนี่ก็บันเทาโซ่เปรียบเกิดขึ้นมาแล้วไปเห็นว่าอันนี้มันก็ม่แน่มันก็ว่าง บรรเทาทุกข์ลงไปให้มัอนอยู่ที่เหนือจริทัง้งหลายเรานี่จิดทงหลายมันรู้ถ้าเราไม่รู้สิ่งทั้งหลายเรานี่มันก็เป็นทุกข์ตัวอย่างเราถ้าปฏิบัติแล้วตัวมัสบางจะคิดึงบ้านร้องไห้ถ้าเราคิดอย่างนั้นแต่เออันนี้มันไม่แน่แน่ไ ม, ไ ม, ไมคิดถึ้งบ้านแล้วก็สิ้นอยมันไปชะมันแน่ไหมจะคิดถึงบ้าน มันก็ไม่น่ี่วาตัวอย่างนี้จากบ้านนี้จากนี้จากบ้านนี้เป็ น, ปนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันเนี่ยเรื่องเจตนาผีหัใจของคนเรามันต้องถึเรื่อนี้อันนี้เราจะต้องอดทน